ัประวัติของหลวงปู่ขาวเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมพนุพระหลวงปู่ขาวอนาลยโยวัดถ้ำกรองเพลนอําเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีนามเดิมท่านชื่อขาวโคระทาเกิดเมื่อวันที่28ธันวาคมพศ2431ตรงกับวันอาทิตย์ปีชวดณบ้านบ่อชนเนงตำบลห น, นองแก้วอําเภออำนาจเจริญจังหวัดอุลราธานี บิดาชื่อพ่อมารดาชื่อรอดโครัฐาท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเจ็ดคนตามลำดับดังนี้หนึ่งนางวันโครัฐาสองนายบุญจันทร์โครัฐาสนางหนูแดงโครัฐาสหลวงปู่ขาวโครัฐาห้านายกาเวาโครัฐาหนางหลอดโครัฐาเจ็ดนางไหลโครัฐาพี่และน้องได้ถึงแกอ่อันธิกรรมไปหมดแล้ว การอาชีพเมื่อเป็นคราว่าต์ของหลวงปู่ท่านทำนาค้าขายเป็นคนขยันหมั่นเพียรมากมีนิสัยสื่อสัตว์สุดจริตโอบอ้อมอารีกับญาติมิตรเพื่อนฝูงและผู้เกี่ยวข้องดีมากใครๆก็รักและชอบคบค้าสมาคมมีเพื่อนฝูงมากแต่เป็นเพื่อนที่ดีไม่ใช่แบบมีเพื่อนฝูงมากเล่ายาปลาปิ้งมากหลากกันลงนรกทั้งเป็นและร่มจมไปเป็นแถวๆดังที่รู้ๆเห็นๆกันอยู่ในสมัยจ ร, จรวดรวดเร็วทันใจ คนสมัยนั้นมักมีแต่คนดีการครบกันจริงเป็นสง่าราศีแก่วงสกุลมากกว่าจะพาให้เสียหายล่มชมเมื่ออายุ2ีิปีวิดามาดาก็จัดให้มีครอบครัวพญายชื่อนางมีมีบุตรทิดาวด้วยกันเจ็ดคนคนหัวปีเป็นชายชื่อคำมีได้ออกบวชตามพ่อคือหลวงปู่เวลาท่านออกบวชแล้วจนสิ้นอายุในเพศนักบวชเมื่อพศ2525 น, นี้เองที่วัดถ้ำกรองเพลน เมื่อบวชแล้วก็ติดสอยห้อยตามหลวงปู่และมาอยู่ที่วัดถ้ำกรองเค้นด้วยจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตคนที่สองชื่อในลีโครถาเป็นผู้มีศรัทธาอุตสาหิตตามมาปฏิบัติและถวายอาหารบิณฑบาตหลวงปู่เป็นประจำลูกที่มีนิสัยทางศาสนาอย่างเด่นชัดมีอยู่สองคนนอกนั้นก็ธรรมดาเหมือนโลกทั่วไปแต่จะไม่ขอออกน้ำ ล, ลูกๆ ท, ท่านอยู่ครองคราวาดตามประเพณีของโลกแต่รู้สึกไม่ค่อยราบรื่นชื่นใจนะัก ในระหว่างคู่ครองทั้งสองที่อยู่ร่วมกันมาเนื่องจากพัญญาไม่ตั้งอยู่ในความสันโดษคือความยินดีในสมบัติที่มีอยู่ของตนได้แก่คู่ครองแต่ชอบพาเสถหะเลยซึ่งเป็นญาพิถวายจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งตลอดสมบัติและความมั่นคงของครอบครัวคือเมียคบชู้สู่ชายอื่นซึ่งเป็นประเภทกาฝากอันเป็นตัวทำลายถ่ายเดียวจนถึงกับอยู่ด้วยกันไม่ได้เจรังยั่งยืนหากจะคิดถึงว่า ถึงวรกรรมหรือธรรมดานก็สุดจะขาดคิดด้นเดาได้ถูกเพราะถ้าไม่มีเหตุสะเทือนใจอย่างหนักเช่นนี้เกิดขึ้นท่านอาจจะยังไม่คิดในแง่อาธิธรรมถึงกับต้องสละตนออกบวชในระยะนั้นก็ได้เพราะเท่าที่ทราบในประวัติความเป็นมาของการครองเรือนที่เป็นต้นเหตุให้ท่านคิดมากถึงกับคิดถึงการออกบวชก็มาจากสาเหตุที่เมียมีชู้ไม่อาจสงสัยไปอย่างอื่นอยู่แล้วดังนั้นการที่เมียมีชู้หรือผัวมีชู้เมียมีหลายผัว หรือผัวมีหลายเมียเหล่านี้จึงควรยกให้กิเลสราคะัณหาตัวไม่รู้จักอิ่มพอกว่าต้อนเข้าสูค่คลังไม่หิจตาของมันไปเสียเพื่อมาให้มีความกระทบกระเทือนทั้งอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่มีส่วนรู้เห็นและผิดด้วยเพราะเรื่องธรรนองนี้มีอยู่ทั่วไปและยิ่งจะนับวันมากขึ้นทาลกต่างพอใจส่งเสริมโดยไม่สนใจเห็นโทษของเครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐอยู่แล้วเพราะความสงบสุขของครอบครัวผัวเมียอยู่ที่อัดรมคือสันตุที ประมังถนังความยินดีเฉพาะผัวเมียของตนเป็นทรัพย์ความยินดีต่อกันและอยู่ที่โอวาทแห่งธําบทนี้ไม่ได้อยู่ที่ไม่หิชาตาหลายผัวหลายเมียดังที่คิดและสนใจไฝ่ฝันกันเลยดังนั้นโลกครอบครัวผัวเมียถ้าอยากมีความสงบสุขร่มเย็นเตีรังยั่งยืนจึงไม่ควรฝักไฟใส่ใจเสาะแสวงหาหญิงชายเสดเดนประเภทอย่าพิษมาเครือบแฝงครอบครัวผัวเมียควรรักสงวนและบำรุงรักษาสมบัติคือคู่ครองที่มีอยู่ของตน ให้มีความอบอุ่นตายใจและเห็นอกเห็นใจกันตลอดไปจนวันอวสานจะเป็นผู้ครองความสุขและสมใจที่ใฝ่ฝันคําว่าราคัตันหานั้นย่อมเหมือนไฟในครัวเรือนโลกปราศจากไม่ได้ทั้งสองอย่างคือต้องสาะสแสวงกันทั้งหญิงทั้งชายในเรื่องครอบครัวผัวเมียเพราะราคัตันหาเป็นนายบังคับให้จําต้องสแสวงไฟสําหรับขงต้มแกงตลอดแสงสว่างต่างๆอันหาประมาณไม่ได้ จำต้องมีสําหรับมนุษย์และครอบครัวทั้งสองอย่างนี้หากนํามาทําประโยชน์ตามความจําเป็นก็ย่อมสนองความต้องการได้เท่าที่ควรแต่ถ้าประมาทลืมตัวขาดความระมัดระวังทั้งสองอย่างนี้ย่อมเผาผลาญมนุษย์แทนชิบหายหวายปวงไปได้ไม่อาจสงสัยดังนั้นปราชท่านจึงสอนมนุษย์ผู้อยู่ใต้อํานาจแห่งราคคิโทสคิขขหมกคิเหล่านี้ด้วยทำอันเป็นน้ําดับไฟไม่ปล่อยให้ลุกรามใหญ่โตจะกลายเป็นโรควีนา่าเช่นเดียวกับการรักษาไฟในบ้าน ไม่ให้เป็นอันตรายแก่ตนและสมบัติทั้งหลายจานั้นสาเหตุให้ท่านออกบวชการเริ่มออกบวชของท่านได้ปรากฏขึ้นในเวลาต่อมาที่ได้พบเห็นสิ่งที่รักและปักลึกสุดคู่หัวใจกลับกลายเป็นมหาภัยสังหารทําลายหัวใจอย่างไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยท่านเองเกิดความทุเลตและความเกลียดแค้นแสนจะอดกลั้นทนทานได้ในเหตุการณ์นั้นแต่ก็คงมีบา ร, รมีธรรมที่เคยบําเพ็ญมามาช่วยสะกิดใจไว้ได้ทันท่วงทีในขณะนั้นว่า แม้แต่มดตัวเล็กๆกัดเรายังรู้สึกเจ็บและปัดออกในทันทีทันใดก็การฆ่าคนให้ล้มตายนั้นความทุกข์ของผู้จะถูกฆ่าแม้เป็นฝ่ายผิดและรู้ตัวว่าผิดจะมีทุกข์มากขนาดไหนจงยับยั้งใจไว้พิจารณาให้ดีและละเอียดทีท่วนก่อนจะสายเกินแก่ว่าทำไมเราจึงเป็นผู้ยินดีและพอใจทําในสิ่งเลวร้ายที่โลกทั้งหลายไม่พึงปรารถนาและปราติเตียนอย่างยิ่งชนีเราฆ่าเขาให้ตายสมใจแล้ว เราจะได้อะไรที่พึงใจเป็นเครื่องตอบแทนบ้างนอกจากมหันตโทษมหันต ท, ทุกข์ล้วนๆไม่มีประมาณเท่านั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาเผาผลาญเราคำว่าเมียมีชู้ผัวมีชู้เมีย ม, มีหลายผัวผัวมีหลายเมียนี้เพิ่งมาเกิดแก่เราคนเดียวท่านหรือในโลกทั้งหลายตลอดวงนักปรารถนามาเป็นาศาสดามาเป็นพระสาวกมาเป็นครูอาจารย์สอนเราท่านไม่เคยมีเคยเจอสิ่งสกปรกอันเป็นสมบัติของสัตว์นรกเหล่านี้มาหรือ ในโลกมีเฉพาะเราคนเดียวเจอเฉพาะเราคนเดียวเท่านี้หรือรีบคิดและตัดสินใจให้ถูกถ้าจะไม่ตั้งหน้าทําลายตัวเองให้จีพายจนไม่มีเชื่อแห่งความดีเป็นเครื่องสืบต่อพบต่อชาติในพบต่อไปคนเราจะรู้ว่าตนโง่หรือตอนฉลาดจะล่มจมหรือจะเอาตัวรอดปลอดภัยถึงแดนแห่งชัยชนะได้ย่อมถือเหตุการณ์เป็นเครื่องวัดตวงในการปฏิบัติตัวต่อเหตุการณ์นั้นต์ ปลาทั้งหลายแต่ดึกดำบรรมาท่านไม่เคยเสียท่าเสียทีเพระาะพารทุ่มตัวให้กับสิ่งเลวทรามทั้งหลายนอกจากท่านคิดอุบายพลิกแพงเปลี่ยนแปลงสิ่งเลวร้ายให้กลายมาเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงธรรมให้เจริญภายในใจถ่ายเดียวแต่ตัวเจ้าเองทําไมจะทําตัวเป็นมนุษย์เลวแหลกแฉกระจายไม่เป็นท่าโดยการทําชั่วตามเหตุการณ์ของโลกที่ไม่มีประมาณแห่งความพอดีที่ผู้อื่นก่อขึ้นชนี้เล่าเพียงเท่านี้ไม่อาจยับยั้งได้เจ้าจะพิยงตัวเพื่อความดีงามไปได้อย่างไร เมียของเจ้าเขาล้วนอนาจแทงราคาตันหาไปตามภาษาของหญิงที่ไม่มีเขตแดนแต่ตัวเจ้าเองที่เขาใจว่าตัวเป็นฝ่ายถูกฝ่ายดีกว่าเขาแต่แล้วเจ้าก็จะรู้อำนาจไปตามโคตรศักด์ความอาฆาตมาดร้ายและทําลายเขาให้ตายสมใจนั้นในคนทั้งสองคือเมียผู้หนอกใจกับตัวเจ้าเองผู้ฆ่าเมียและชายชู้ให้ตายพร้อมกันในขณะเดียวสองคนนั้นจะจัดว่าใครเลวร้ายกว่าใคร ตามสายธรรมของจอมปราศผู้มีพระศาสดาเป็นพยานแล้วตัวเจ้าเองต้องจัดว่าเป็นผู้ทำกรรมชั่วยอย่างหนักมากจนไม่มีมหาเมตตาในธรรมบทใดบาตใดให้อภัยเจ้าได้เจ้าต้องลงนรกหลุมมหันตทุกโดยถ่ายเดียวไม่เป็นอย่างอื่นเลยเจ้าจะเชื่อโทสะ ก, กิเลสที่กำลังรุมล้อมพัดผันหัวใจของเจ้าเพื่อให้เป็นไปตามอำนาจของมันหรือจะเชื่อธรรมของจอมปราศที่เคยพยุงสัตว์โลกผู้เดือดร้อนให้เบาบางสั่งซามานานแสนนาน รีบคิดและตัดสินใจโดยถูกทางเดี๋ยวนี้อย่าชักชาล่าหลังกิเลสตัวโหดรา้ายจะแซงทำและพย้ําตัวเจ้าให้แหลกทั้งเป็นถ้าเมรีบจัดการกับมันแต่ขณะ น, นี้ท่านว่าเป็นที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์อย่างไม่เคยคาดเคยฝันมาก่อนพอความอัศจรรย์ผุดขึ้นจากภายในอันเป็นเชิงบอกเตือนลวยอุบายต่างๆเรากับครูอาจารย์ที่เคารพนับถือมานั่งสั่งสอนเราอยู่เฉพาะหน้าให้สงบลงไปใจที่เป็นเหมือนกองเพลิงใหญ่ซึ่งกําลังส่งเปลวเตมที่ พร้อมจะเผาไหมสิ่งที่ขีดขวางอยู่เวลานั้นให้เป็นปุยผงชั่วประเดี๋ยวใจนั้นได้สงบตัวลงอย่างเงียบผิดธรรมดาและเกิดความสลดสังเวชในเหตุการณ์เกี่ยวกับเนียนอกใจพร้อมด้วยความอ่อนโยนที่เต็มไปได้วยความสงสารและความให้อภัยเต็มดวงใจพร้อมกับความเห็นโทษแห่งความโหดร้ายหมาชีวิตอย่างถึงใจในขณะเดียวกันยกมือขึ้นประนมสาธุสาธุสาธุพระธรรมท่านโปรดปานว่าที่สัตว์นรก ว่าได้ทันทุงทีหลังจากมรสมุมในหัวใจสงบลงโดยเพ้นเฉิงแล้วใจกลับว่างเปล่าโล่งสบายหายทุกข์เข็นเวรภัยทั้งปวงในขณะนั้นเรากลับเกิดชาติใหม่ขึ้นมาในร่างกายและใจดวงเดียวกันทําให้คิดทบทวนวนกลับไปกลับมาย้อนหน้าย้อนหลังทั้งอดีตที่เคยตีบตันอันตูุจนจะหาทางออกไม่ได้ถึงกับจะคิดเผาไหม้ตัวเองสดๆร้อนโดยเห็นว่าเป็นทางออกที่ดีทั้งอนาคตเกี่ยวกวับความเป็นไปในวันข้างหน้าว่า จะควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะสมมากสมหมายไม่คลุกเคล้าด้วยหมูดด้วยขูดด้วยฟื้นด้วยไฟดังที่เป็นมาแล้วที่น่าสลดสังเวชนาขยะขยั่งและไม่พึงปราถนาตลอดอนันตการแต่ก่อนท่านไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าการหวังความเจริญในทางโลกเมื่อมาประสบเหตุการณ์ธรรมทูตนี้ความรู้สึกสำนึกทั้งหลายจึงหนักไปในอัตในธรรมมากกว่าจะคิดไปในแง่อื่นๆจนถึงขั้นปลงใจบวช ด, ด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆ เนื่องจากอะไรก็เคยคิดเคยผ่านมามากต่อมากแล้วสิ่งที่จะให้สมหวังไม่ค่อยปรากฏมักมีแต่สิ่งไม่พึงหวังมาปรากฏซ้ำซ้ำซากๆจนถึงขั้นชอกช้ำเต็มที่แทบจะหาที่รลงที่วางไม่ได้คิดเห็นแต่ทำอย่างเดียวจะพึ่งเป็นพึ่งตายได้โดยการออกบวชป ฏ, ฏิบัติธรรมให้เต็มกําลังความสามารถอย่างอื่นๆไม่ค่อยมีในห้วงแห่งความคิดนึกจึงได้ตัดสินใจออกบวชโดยบอกความประสงค์ให้ญาติมิตรเพื่อนฝูงทราบแล้วก็ออกถวายตัวเป็นนาคในวัด เพื่อบวชโดยไม่ชักชาการบวชของหลวงปู่ขาวท่านออกบวชคราวแรกบวชที่วัดโพสีบ้านบ่อชั้นเองตำบลหนองแก้วอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเดือนพฤษภาคมพศ2462โดยพระครูพุทธิศักดิ์เจ้าคณะอำเภออำนาจเจริญเป็นพระอุปชาพระอาจารย์บุญจันทร์เป็นพระกรรมวาจาและอยู่จำพรรษาเพื่อศึกษาหลักพระธรรมวินัยในวัดโพสีถึงหปีในเวลาที่อยู่ในวัดนั้น สังเกตดูครูอาจารย์และเพื่อนภิกษุสามเณรด้วยกันประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยก็เป็นลงหลุมโดนดอนผิดผิดผด พ, ลพลาดพลาดไม่เป็นที่จับใจเชื่อถือได้ไม่สมเจตนาที่ออกบวชเพื่อมรรคเพื่อผลด้วยความบริสุทธิ์ใจ <c oughs> ดังที่ตั้งไว้เมื่อคิดอ่านทบทวนเกี่ยวกับการอยู่และการออกปฏิบัติรธรรมจนเป็นที่แน่ใจแล้วจึงเข้ากราบลาอุปชาอาจารย์ตลอดญาติมิตรเพื่อนฝูงเพื่อทราบเจตนาและความประสงค์ในการออกปฏิบัติรธรรม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 ถ้าใครยังเป็นคนยังอยากเป็นคนดีเหมือนชาวบ้านเขาก็ไม่ควรออกกรรมฐานเพื่อความเป็นบ้าบานว่าสมัยนี้เขาไม่มีพระทูดงกรรมฐานกันหรอกนอกจากพระทูดงกรรมฐานที่จําหน่ายตะกรุดคาถาวิชาอาคมของขลังต่างๆเช่นผูกสเสนียาแฝดอยู่ยงคงกระพันชาตรีดูเลิกงามยามดีดูชะตาราศีเท่านั้นส่วนพระทูดงกรรมฐานที่ดำเนินตามทางพระทูดงนั้นไม่มีแล้วสําหรับทุกวันนี้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 ในธรรมที่ปรากฏอยู่กับใจไม่มีความอับเฉาเศร้าใจเพราะความเป็นลุกหลุมดอนๆของใจเหมือนพักอยู่ที่อื่นๆใจนับวันเจริญขึ้นโดยลําดับทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญามีความเพลิดเพลินในความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาอิ่มพอปฏิบัติการดําเนินของหลวงปู่ทั้งสมัยยังหนุ่มและชราภาพหลวงปู่ขาวท่านมีนิสัยใจเด็ดเดี่ยวความเพียรกล้าทั้งสามอิรยาบทคือเดินจงกรม ก็เก่งเดินแต่ฉันเสร็จแล้วถึงเที่ยงเข้าพักร่างกายพอบรรเทาขันแล้วเข้านั่งสมาธิพอประมาณเราหนึ่งถึงสองชั่วโมงจากนั้นก็เข้าสู่ทางจงกรมทําความเพียรละหรือถอถอนกิเลสประเภทต่างๆที่เคยฝังจมอยู่ภายในใจสัตว์โลกไม่เคยบกบางเหมือนสิ่งอื่นๆกี่ชั่วโมงท่านไม่ค่อยกำหนดจนถึงเวลาปัดกวาดบริเวณที่อยู่ของพระองค์เดียวที่ไม่ชอบกังวลกับสิ่งใดผู้ใดท่านจึงออกมาปัดกวาดส่งน้า นั่งรำพึงไตรตรองอัธรรมในแง่ต่างๆตามอัธยาศัยหลังจากนั้นส่วนมากท่านมักเข้าทางจงกรมมากกว่าการเข้านั่งสมาธิภาวนาท่านเดินจงกรมแต่ละครั้งราวสามสี่ห้าชั่วโมงบางครั้งถึงหกชั่วโมงจึงจะเข้าที่พักซึ่งส่วนมากมากเป็นเพิงบ้างเป็นต ร, รำเล็กๆบ้างในหน้าแรงฝนไม่ตกถ้าน่าฝนก็อยู่กุดีซึ่งเป็นกระสอบพร้อมหมกตัวอยู่ได้ไม่รู้ราหน้าอยู่อะไรเลย ยางหน้าสังเวชด้วยซ้ำในสายตาของผู้เคยอยู่ด้วยความปรนเปื่อรู้ล้ามาก่อนเริ่มไหวพระสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิภาวนาท่านชอบสวดมนต์นานด้วยกว่าจะหยุดเวลาเป็นชั่วโม ง, โมงหลังจากไหว้พระสวดมนต์ก็เข้าที่ทําสมาธิภาวนาต่อไปเป็นลหลายๆชั่วโมงกว่าจะพักผ่อนหลับนอนการเดินจงกรงของท่านก็ น, นานการนั่งภาวนาก็ น, นานเป็นเวลาลหลายๆชั่วโมงการยืนก็นานเมื่อถึงวาระที่ควรยืนรำพึงอัดถามภายในใจด้วยปัญญา ท่านยืนได้เป็นชั่วโมงช่วโมงเช่นกันจนกว่าจะหมดปัญหาจากข้อถามที่ํำพึงไตรตรองนั้นนั้นท่านจึงก้าวเดินจงกรมในท่าเดิมต่อไปการนั่งสมาธิภาวนาท่านนั่งจนตลอดรุ่งได้ในบางคืนท่านเคยนั่งตลอดรุ่งอยู่บ่อยๆสมัยยังหนุ่มอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับหนุ่มฟอดังพระเนหนุ่มทั้งหลายเพราะตอนท่านออกบวชอายุท่านก็ได้สามสิบกว่าปีแล้วท่านเป็นนักรบนักต่อสู้ในทางธรรมจริง ท่านเคยเทศให้พระเนนฟังอย่างเด็ดๆก็มีในบางโอกาสว่าท่านทั้งหลายทราบไหมว่าสกุลของกิเลที่ครองอํานาจบนหัวใจสัตว์โลกในไตรภพมานานจนประมาณการเวลาของมันไม่ได้นั้นเป็นสกุลที่เหนียวหนับตับแข็งมากมีกําลังมากฉลาดแหลมคมมากยิ่งกว่าน้ํำซับน้ําซึมเป็นไี่ไหนกลมามยามากร้อยสันพันคมความกินง่ายกินปริ่นป้อนหลอกลวงสัตว์โลกไม่อาจพนาวิชาการและลวดลายของมันให้จบสิ้นลงได้ เนื่องจากมันมีมากยิ่งกว่าท้องฟ้ามาหาสมุดสุดสาครไปหไหนไหนในสามแดนโลกธานี้อยู่ในขายแห่งวิชาและอำนาจของมันครอบงำทั้งสิน้นไม่มีช่องว่างแม้เม็ดทรายหนึ่งที่วิชาคนอุบายอันแยบคายของมันจะไม่เข้าไปเคลือบแฝงหรือซึมซาบอยู่หากเป็นตุ่มก็เต็มตุม่มล้นตุม่มเป็นยุ้งก็เต็มยุง้งเป็นช้างก็เต็มช้างเป็นบ้านก็เต็มบ้านเป็นเมืองก็เต็มเมืองเป็นโลกก็เต็มโลกเป็นท้องฟ้ามาหาสมุดก็เต็มท้องฟ้ามาหาสมุด เป็นโลกกระถางก็เต็มโลกกระถัดไม่มีว่างเว้นจากมันคือสกุลกิเลส ท, ที่ทรงพลังมหาศาลจะไม่ดักคายครอบไว้ทั้งสามโลกกระถัดนี้คืออาณาจักรและขอบข่ายแห่งอํานาจของสกุลกิเลส ท, ทั้งมวลและแน่นหนามั่นคงมากยากที่สัตว์ทั้งหลายจะเล็ดลอดหรือทําลายออกมาได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นถ้าท่านทั้งหลายยังไม่ทราบวิชาร่ายมนกลอมสัตว์โลกของมันก็ขออนุโมทราบแต่ขณะนี้ จะได้มีสติตื่นตัวตื่นใจไม่นิ่งนอนดังที่เป็นมาและเป็นอยู่เวลานี้การพูดสกุลกิเลสให้ทันทั้งหลายฝั่งนี้ผมพูดออกมาจากความที่เคยเครียดแค้นต่อมันตามระยะเวลาและกําลังแห่งความเพียรที่เคยต่อสู้ห้ามผ่นกับมันขั้นเริ่มแรกมีแต่แพ้มันยังหลุดลุย้ยหมดทางต่อสู้เป็นผักๆฟิตให ม, สม่สู้ใหม่สู้ใหม่เป็นผักๆและแพ้มันแบบล้มลุกคลุกค ล, ลานเป็นตอนๆพองอหัวขึ้นได้บ้างก็สู้ใหม่สู้ใหม่ ด้วยใจของนักต่อสู้โดยยึดเอาตายกับชายชนะมันเป็นเดิมพันสู้ไม่ถอยนั่งอยู่ก็สู้คือก็เพียนเดินอยู่ก็สู้ยืนอยู่ก็เพียนนอนอยู่ถ้ายังไม่หลับก็สู้ในท่าต่างๆเป็นท่าต่อสู้ทั้งนั้นแม้จะแพ้แล้วแพ้เล่าก็ไม่ถอยเพราะยังไม่ถึงจุดที่ตั้งเอาไว้ดั้งเดิมคือตายและชนะอย่างเด็ดขาดเท่านั้นจึงเป็นจุดที่ยุติการต่อสู้เมื่อสู้ไม่ถอยเพียนไม่ถอย กำลังและความคล่องตัวแห่งสติปัญญาก็กค่อยๆขยับตัวขึ้นมาใจที่เคยคึกขนองเหมือนม้าตัวผาดโผนก็ค่อยสงบลงได้ใจที่เคยเรียนเคยจําได้แต่ชื่อแต่นามว่าสมาธิสมาธิความสงบมั่นคงก็ค่อยปรากฏเป็นสมาธิความสงบมั่นคงขึ้นมาในตัวเองให้ได้เห็นได้ชมจนประจักษ์กับตัวเองว่าอ๋อคําว่าสมาธิสมาธิที่ท่านจารึกไว้ในตํารานั้นความจริงความมีความเป็นความปรากฏแห่งสมาธิแท้นั้น ปรากฏขึ้นที่ใจนี้เองหรือเออบัดนี้เราหายสงสัยเรื่องสมาธิในตําราแล้วเพราะได้มาปรากฏองค์สมาธิอยู่กับใจของเราเองเวลานี้ใจสงบใจสว่างโล่งภายในใจที่เคยอัดอั้นติดตันและปิดทางตัวเองมานานแสนนานเริ่มลืมตาอ้าปากพูดจาปลาัยกับเพื่อนฝูงได้ด้วยความโล่งใจแน่ใจและมั่นใจต่อมาผลนิพพานว่าจะไม่ตายเสียก่อนจะได้ชมแม้เพียงขั้นสมาธิความสงบก็นับว่าพอกินพอใช้ ไม่ฝืดเคืองสำหรับฐานะเราคนจนมาตลอดพบชาติต่างๆต้นทุนแห่งอัตสมบัติคือสายทางแห่งมรุนิพานที่เรามั่นใจว่าจะต้องถึงในวันเวลาข้างหน้าคือสมาธิสมบัติความสงบเย็นใจเราได้เป็นต้นทุนประจักษ์แล้วเวลานี้เรามีหวังในธรรมสมบัติขั้นสูงส่งขึ้นไปโดยลำดับด้วยความภาคเพียรที่เป็นมาและเป็นอยู่อิธิบาสีนี้เริ่มปรากฏขึ้นมาบ้างแล้วคือชันทะ พอใจทั้งการบำเพ็ญเพียรภาวนาพอใจทั้งผลที่ปรากฏกับใจขึ้นมาเรื่อยๆไม่ขาดว่าขาดตอนเรากับน้ำบนํำซับน้ําซึมจิตใจชุ่มเย็นโดยสม่ำเสมอในอิบายบทต่างๆวิริยะเพียรไม่ถอยทุกอิริยาบทเป็นไปด้วยความเพียรปราบิเลสเท ถ, ถอนกิเลสกุลไมหิมาจิตตักมีความฝักใฝ่ใคร่ต่อการบำรุงรักษาใจเพื่อธรรมรสอันโอชาพยายามระวังรักษามาแหรรสอันเป็นพิษภัยแทรกสิงใจ วิมังสาพิจารณาไข่ครวนไตรตองมองหาเหตุหาผลที่มาเกี่ยวข้องกับใจด้วยความไม่ประมาทพยายามฝึกกิจที่เคยโง่เพราะความปิดบังของกิเลส ใ, ให้คลี่คลายขยายตัวขึ้นสู่ธรรมคือความฉลาดของสติปัญญาใจไม่อับเฉาเมาโมเหมือนแต่ก่อนอิทิบาททั้งสี่นับวันมีกำลังเข้มแข็งขึ้นตาตามกันทั้งฉันทะทั้งิริยะทั้งกิตตะและวิมังสาธรรมรวมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีกําลังกล้าบพร้อมเผชิญหน้ากิเลสโดยไม่เลือกการสถานที่และเหตุการ์ใดมีจิตมุ่งมัน่นจะหันแหลกกันโดยถ่ายเดียวเมื่อสมาธิปรากฏเป็นปากเป็นทางพอตั้งตัวได้แล้วก็เร่งทางปัญญาออกพิจารณาธรรมทั้งหลายทั้งภายในภายนอกประสานกันรวมลงในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุขังอนัตตาอิทิบาททั้งสี่จึงเริ่มประสานงานกันอย่างสนิทติดพันจนกลายเป็นอิทิบาทอัตโนมัติไปตามสติปัญญาที่พาให้เป็นไป นับแต่บัดนั้นแหลจะเรียกว่าเข้าสู่สงครามกับกิเลสชนิดต่างๆแบบตลุมบอลก็ไม่ผิดเพราะความรู้สึกนึกคิดที่หนักภาะในธรรมวิมุตินับวันเวลามีกําลังและสกิจใจไม่หยุดหย่อนในลักษณะสู้ไม่ถอยเอาให้หลุดพ้นโดยถ่ายเดียวแม้จะตายก็ขอให้ตายในสนามรบคือตายในวงความเพียรท่าต่อสู้อย่างเดียวหากยังไม่ตายก็เอาให้กิเลสมอบราบและตายเกลือนให้เห็นประจักษ์ใจทุกรยะแห่งการต่อสู้ด้วยสติปัญญา ซึ่งเป็นธรรมะวุธอันทันสมัยปฏิบัติที่ผาดผลมากและเห็นผลประจักษ์การทําความภาคเพียในขั้นเริ่มแรกและต่อมาจนจิตสงบลงเป็นสมาธิได้แม้จะเป็นความเพียรผาดผลด้วยการเอาชีวิตเข้าประกันก็ตามแต่การเพียรการต่อสู้ในระยะนี้เป็นการต่อสู้ที่บอบช้า ม, มากแต่ผลปรากฏมีน้อยไม่สมดุลกันทางนี้เพราะยังไม่รู้วิธีการต่อสู้และภาคเพียเท่าที่ควร แต่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจำต้องยอมรับย อ, ยอมโดนความบอบช้ำไปก่อนเพื่อทราบเหตุผลจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาแล้วปรับตัวปรับความเพียรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอันดับต่อไปสำหรับผมเองเคยเป็นดังที่กล่าวมานี้ในวงเล็บหลวงปู่พูดกว่าจะจับหลักเกณฑ์ได้ก็เกือบเป็นเกือบตายเมื่อการปฏิบัติทางด้านปัญญาแยกแยะร่างกายส่วนต่างๆออกคลี่คลายดูด้วยปัญญาจนปรากฏชัดทั้งอสุภะอสุพัง ทั้งทุกขังอนิจังอนัตตาในร่างกายโดยลำดับแล้วนั่นแหลความเพียรจึงนับวันผาดผานโจนทย า, านทั้งประโยคพยายามทั้งสติปัญญาที่ก้าวออกสู่งานในวงกรรมฐานห้ามีเกษาโลมาเป็นต้นตลอดสภาวธรรม ท, ทั่วไปด้วยความเพลิดเพลินในการพิจารณาและความเห็นตามเป็นจริงในสกลกายส่วนต่างๆจนตลอดทั่วถึงประสานกับสภาวธรรมภายนอกซึ่งมีอยู่ทั่วไปว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน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 เมื่อสติปัญญารู้เท่าและปล่อยวางขันนี้แล้วก็ลดการพิจารณาแบบนั่นลงไปเองชินเดียวกับไม้ซึ่งในช่างดัดแปลงลงถึงขั้นที่กวรลดจากการถากการฟันอย่างหนักมือแล้วก็ลดไปเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกฉะนนั้น